ذلك الذي يبشر الله ذلك الذي يبشر الله ا ذ ا ل ك الذي يبشر الله عباده. ق ل س أ ل ك م ع ل ي ه أ ج ر ا إ ل ا ا ل م و د ة ق ل أ س أ ل ك ُ م ع َ ل ي ه أ ج ر ا إ ل ا ا ل م و د ة و ت ر ف حسنة نازد ل ه فيها حسنا إن الله وفول شكور فيها حسنا إن الله وفول شكور أم يقولون افترى على الله ك ذ ب ا و َ إ ِ ي ََّ ش َ إ ِ ل َّ ا ي َ خ ْ ت ِ م ُ عَلَى قَلْبِكَ و َ إ ِ ي َ ا َ ش َ إ ِ ل َُّ ي َ خ ْ ت ِ م ُ عَلَى قَلْبِكَ ويمحو الله الباطل ويحقق الحق بكلماته. إنه علِم بذات الصدور. إنه علِم بذات الصدور. و ู้อวั ي ลี่ยับบาลุท้าวบตาณไงบาลีวยะฟูณศีลอาติวยะรู و มะทัฟมัลูวยะฟูณศีลอาติวยะร ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وال. ك ا ف ر و ن لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده خبير بصير. إنه بعباده خبير بصير. في الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا م ن ي ه د ه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشر ا ه د ن ل ا إله إلا الله وحده لا شريك له و ا ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله ا ل ل ه h ب ك a b i ka a و ب ك ا أمسينا و, إ ك أ و ب ك نحيا و ب ك نموت ويلايكن نشور أعوذ ب ِ ك َ ل ِ م َ ت ِ اللَّهِ تَامَةِ مِن شَرِّمَا خ َ ل َ ق بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا ي َ ض ُ ر ُ مَعَ س م ِ ه ِ ش َ ي ٌْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا و ا ِ وَهُوَ سَمِيعُ الْعَلِيمُ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 سبحان الله وبحمده عدد خلقه وربو نفته و ز ن ة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمنك أستغثث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفط رفة عين الله مفاطر ا ل س م ا و ا ت والأرض عالم الغيب و ا ل ش ه, د ه د ا د رب كل, كل, كل شيء وملك أشهد أن لا إله إلا أنت أ ع ذ ب ك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقتال فعلى نفسي سوء أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما فيها ذ ا ل ي و م و َา خير ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل الك و س ال و الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาสบอยที่มัสยิดอันวาริสุนังและพี่น้องที่ติดตาม สวรรค์นในบ้านนะครับจจกตบทเซลิโกรานที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านอัลฮัมดุ ล, ลิลลาด้วยความเมตตาของอัลลอ์ไม่ใช่เพราะความเก่งของเราเลยนะเพราะความเมตตาของอัลลอ์ที่ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงช่วงมงนี้อัลลอฮ์ให้เรามาได้นามาสุบห์บางคนอัลลอ์ให้ตื่นนามาตะฮัดยุดต้องขอบคุณอัลลอ์ไม่ใช่คุยว่าฉันเก่งฉันแน่ไม่ใช่ ต้องนอบน้องต้องทอมตนต่อระองบางคนให้มีสุขภาพแข็งแรงพี่น้องต้องนึกนะ่นะไอ้แข็งแรงเนี่ยเป็นริสกีชั่วคราวคนที่แข็งแรงเนี่ยกลับไปถึงบ้านตอนแปดเก้าโมงอาจจะป่วยก็ได้แตนั้นริสกีเนี่ยเครียดริสกีชั่วคราวส่วนริสกีถาวรเนี่ยอันกรานเนี่ย คนละบุญไม่หมดอายุพาติดตัวไปได้ทึกวันเกียมั่ฟื้นขึ้นมายังมีรางวัลอยู่อ่านคุรภีร์เป็นริสกีทาวอนนา ม, มาตริสกีทาวอนการบริจาคเพื่ออัลลอฮ์นะอย่าเอาหน้านะเป็นริสกีทาวอนการขออุดมคืเป็นริสกีทาวอนการคิดรู้พระเจ้าเป็นริสกีทาวอน การติดต่อกับเพือญาติไม่ทําให้พ่อแม่เราเนี่ยเสียใจเพราะเราเป็นรุสกีถาวรไม่ตบหน้าภรรยาไม่ด่าภรรยาเอาเงินให้ภรรยาชายรออัปบาทเป็นรุสกีถาวรงหมดแล้วก็การให้อภัยกับคนที่ด่าเราแล ไ, ไ, ไม่ไม่อะไรนะไม่เ ม, มตตาเรานินทาใส่ใจเราพี่น้องรู้แต่เราไม่ใส่ใจพี่น้องให้อภยัย นี่เป็นฤาษีถาวรแล้วก็เป็นเครื่องหมายว่าคนคนนี้นะเรียกว่าอัลามาตุลอีมานเป็นไรนะมีสัญญาณบอกว่าเป็นคนที่มีอีมานอัลลอฮ์พี่น้องครับขอบคุณเลาล่อนะครับที่เราได้อ่านอัลกุรอานนี่มาถึงสุร์อัชชุรอเราต้องนึกคําแปลด้วยนะชุรอเนี้แปลว่าอะไรนะประชุม ปรึกษาหารือกันเป็นศาสนาครับอะไรที่อยู่ในกาแ์ของงานนั้นเป็นศาสนาหมดเลยฉะนั้นเราต้องประชุมกันปรึกษาหารือกันกับคนในครอบครัวเราก็ต้องประชุมกันกับภรรยากับลูกๆนั่งกันห้าคนนี่เราจะผูก อ, อ, อาหารอะไรดีผุงนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมตักแกงแจกไปริมบ้านเนี่ยสามสี่หลังเนี่ย อยากเรื่องไม่แจกแะใครเอาไปแจกดีปักษาคือการเรื่องศาสนาทั้งหมดนะฉะนั้นเอากุณอ่านเนี่ยนำหน้านี่กุรอานเนี่ยเรื่องของ<ม>อลัลลอฮ์หมดเลยก็เรื่องของเราด้วยนะครับขอบคุณอลัลลอ์นะครับที่เราที่ที่แล้วเนี่ยไปไหนผมไม่อยู่นี่ไปสะตูนอ้าวไปสะตูนพี่น้องก็ ตอนนี้คนดีเยอะนะคนกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮ์กันเยอะมากครับอัลฮัมดุลิลละอาวันนี้มาถึงสูรออชูรออายาที่ยี่สิบสามขอท้าวความอายาที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดหยี่สิบสองนะครับตรัอลีมีนมุชฟิกีนะมิมมากาสบู นี่เราเล่าให้ฟังเป็นเรื่องน่ากลัวมากครับท่านจะเห็นบอกกับอบีมุฮัมมัดมุฮัมมัดเนี่ยในวันเกี่ย ม, มานะท่านจะเห็นล้อเล่มคนประพฤติชั่วคนประพฤติเชื่อเนี่ยอุลมามะอธิบายหนึ่งคนกาเฟตหรือคนมุชลิมสองกลุ่มนี้คนประพฤติชั่วมุสลิกิในวันนั้นเนี่ยตัวจะสัน่นเล่าให้ฟังไม่เชื่อเรื่องของเอง ละกูอานพูดโกหกมีไหมไม่มีครับล้วรอยบัฟีไม่มีข้อสงสัยในกาพฟกูอ่านมุชฟิกินะมิ ม, มากาสบโพวกเขาเนี่ยวันกลัวตัวสันจากที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้ได้ทำเอาไว้ได้ขนขวายเอาไว้บนโลกดุญยาใบนี้แล้วก็ปล่อยให้ตัวตายโดยไม่เต่าบ้าตัวต่อลอเป็นความผิดครับ นัมุสลิมหลายคนไม่ได้นามาดมีเปล่ามีอัลลอฮ์ไม่เล่นงานเพราะอัลลอฮ์เล่าหนังสือีกุรอานไว้แล้วชั้นเนี่ยประวิงเวลาเอาไว้ไม่รีบลงโทษในยุค ข, ของนบี ม, มูฮัมมัดดีเลยไหมดีดีครับประวิงเวลาทำไมอ่ะให้เขาได้หันมาเรียนศาสน า, สามาอ่านมาฟังตบทามาเปิดกุรอานอ่นานซมาศึกษาหาความรู้แล้วก็เปลี่ยนเป็นคนดี แต่ถ้าหากว่าให้โอกาสแล้วยี่สิบปีสามสิบปียังดาอัลลอฮ์เหมือนเดิมยังตำหนิกูอ่านยังด่าสุนารนบีอยู่เลยสุนาราบีไม่ให้เข้ามัสยิดฉันสุนาราบีไม่ให้เข้าบ้านฉันอลัลลอฮ์ก็ให้รวยเหมือนเดิมนั่นแหละให้เพลินกับชีวิตดุจยาแล้วเป็นไงครับพอความตายมาถึงก็หอยอา ย, ยาอลัลลอฮ์จะทาทำไมนี่ไม่ นี่เล่าให้ฟังนี่คุณอานอายะ น, นี้ก็เตือนนะแต่ลลีมีมุชเปกีนัมิมมากาสาบูมามัดเนี่ยท่านจะได้เห็นคนชั่วคนกาเฟตคนมุชริกพวกเขามีความไรนะวันกลัวในสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบมาไว้วะฮุวาวะกิอมบิฮิมก็ต้องเกิดขึ้นแก่พวกเขาอย่างแน่นอนนะไหมขอสงสัยไม่มีครับ วัลละดีนามาโนอามิลส์รอรี่เฮสมาปลอบใจคนที่มีอีมานต่อรออย่างพวกเราวันนี้ถูกด่าด้วยใช่ไหมล่ะถูกนู้นถูกนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยรู้ขึ้ น, นมาแต่ฮัสหยุดเดินมามัสยิดขับรถมาน้ำมันก็แพงเราทุจรอตหมดเลยอ่ะแต่เราก็อีมานต่อรอแล้วก็ทำอามันคุอสอนแล้วฟีเราบอตินพวกเขาอยู่ไหน อุทยานอัจจนานะสวนสวรรค์หลายๆายแ ห, ห่งเห็นหเป็นพระพจน์ ด, ด้วยฟีรา บ, บอตินอัจจนานแะล้วหุมมายชาอุ่ลเอธิบายต่อไปอีกอยู่ในสวรรค์เนี่ยพวกเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการนึกอะไรก็ได้ต้องการอะไรได้อนดาร บ, บิหิมนณะพระพูทอปิบาลของเขาจาลิกหวุวลฟอบวลุลกะบิดนี่เป็น ความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่หญ่กว่านี้ไม่มีแล้วได้เข้าวสวรรค์ในยญ่สุดแล้วใช่ไหมทำไมได้เข้าวสวรรค์กันเล้วสุด <laughs> อ่ะวันนี้มาอายะที่ย3่สิาม the ل ِ ك َ ا ل َ ذ ِ ي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا و َ ع َ م ِ ل ُ ا ل ص َّ ا ل ِ ح َ ا ت قل أسألكم عليه أجر ا إلا المودة في القرب ى و م ن ي ق ت ر ف حسنة نزل له فيها حسن ا إن الله وفور شكور ذلك الذين يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجراه إلا المودة في القربى ว่าไม่ยากุตฤฟ حسن นั้นนัดเดลลั่วฟี ه ฮพุสนะอินนั ن َาห์ะَّุรَุชักูอัลลอฮฺขอพระคัมภีร์นี้ดีจริงจริงนะปลอบใจปลอบใจผู้ศรัทธาทั่วโลกแล้วก็ปลอบใจคนที่มีอามันที่ซอละ มีนามาต์มีสกาศมีฮัจย์ทำดีกับพ่อแม่ทำดีกับภรรยาสอนลูกอบรมลูกเตือนลูกไม่ด่าลูกนมานย์จะสอนแล้วหมดเลยติดต่อกับเครือญาติไปเยี่ยมญาติเอาอาหารไปให้เขากินอละเนี่ยนี่ปลอบใจเนี่ยนะเอามาดูสับลาลีกะนั่นคือ ไอ้ที่เล่าเล่ามาเนี่ยอายะที่เล่ามาหรืออายะต่อไปนี้ด้วยเหมือนกันอัลลอฮนะอัลลบันดาฟูี่ยูบัิรุลลอฮ์บัสซาระยูบัิรุแปลว่าแจ้งข่าวดีสบาใจไหมอัลลอ์เนี่ยนี่คือการแจ้งข่าวดีผ่านอัลกุรอานผ่านนบีมุ hammad ผ่านยิบรีนให้นบี ให้มาสอนสอนสอนสอนเมื่อหนึ่งพันสอปีแล้วบางคนเพิ่งเปิดคุณอ่านอายะนี้วันนี้มีไหมความจริงให้มาแล้วทพิษพันสี่ร้อปีแลดกันลดีนั่นคืออัลลอฮ์อยู่บัชชิรุลลออัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวดีอัลลอฮ์อบาดะห แกปวงเบาของพระองค์อโลอนี่ใช่ไหมนี่เล่าให้บบาของอโลอทั้งหมดตอนนี้มีกี่พานละนะ้าน่ะเจ็ดพนล้านนี่แจ้งให้รู้เองไม่อ่านเองไม่เคยเปิดนีตดาใครชื่ออะไรอะไรเพชรทองอ่ะได้อยู่นะนะครับไอบาดอัลลาฮินะอามานูเบาผู้อะไรนะปวงเบา ผู้ที่อีมานคำว่าอีมานต้องนึกกี่ข้อหกข้ออีมานต่อลออีมานต่อรอซูนอีมานต่อคำพีอีมานต่อบรรดานาบีทั้งหลายอีมานต่อวันอาเซร์แล้วก็อีมานต่อกดกบอกรดัตอีมานว่าตายแล้วต้องฟื้นอีมานต่อวันอาเซร์และอีมานอีกสาขาอีกเท่าไรอีกเจ็สิข้อนี่เนี่เรียนหนังสือนึ่ก็เป็นอีมาน นอบน้อมเป็นอีมานให้กำลังใจคนปเป็นอีมานเยี่ยมเยียนคนเป็นอีมานมีสาขาอีกเจ็ดสิบกว่าข้อเนี่ยต้องเรียนน่ะต้องศึกษาแล้วมีขัุตเล่มันทุดกัไว้สิอีมานเจ็ดสบข้อมีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นตน้นนี่ต้องสื้อขายเยอะนะครับหวามิลซอริฮาตและผู้ที่ประกอบการดีทั้งหลายอัลลอฮฺอักบร นี่เป็นข่าวดีนะครับเอาลแจ้งข่าวดีกับผู้ที่อีมานแล้วก็คนที่ประกอบความดีทั้งหลายกุลนีต่อไปเนี่ยอัลลอฮ์สั่งนะีกุลมุฮัมมัดเอ๋ยจงอะไรนะจงประกาศมุฮัมมัดเอ๋ยจงประกาศจงเตือนจงด้ว่าจงตำลิกเตือนว่าอะไรลาอัลอาลูก um ุม คือนบีเนี่ยมาทำหน้าที่สอนศาสนาใช่ไหมมาจะมาทําสวนเนี่เราดูนะปลามาจะมาเลี้ยงแพะทำยังไงไม่จำเปไม่ต้องไมต่มต้องไปหานาบีหานาบีเรื่องว่าอีมานทํำยังไงตักวาทํำยังไงนมาทํำยังไงอ่านกัมรอ่านอายาไหนถามนาบีทั้งหมดแต่เรื่องเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรใจพวกนี้มไม่จำเป็นถามนาบีมันต้องแยกแยะให้เป็นด้วยนะละอัสอาลูกุม ฉันไม่ได้ขอพวกท่านเห็นไหมอัลลอ์ส่งนบีมานบีถูกด่าตลอดแล้วอัลลอ์บอกให้นบีเล่าให้นบีบอกว่านบีประกาศและอัสอาลูกุมอาหรับทั้งหลายเออในนครมักะฉันที่สอนศาสนานี่นะฉันไม่ได้ขอพวกท่านเลยนะสักบาทหนึ่งก็ไม่ได้ขอ เงินก็ไม่ได้ขอผู้หญิงก็ไม่ได้ขอเงินก็ไม่ขอตำแหน่งก็ไม่ได้ขอไม่ได้ขออะไรเลยเยังเนี่ยด้วยความดีของนบี ม, มุ hammad เนี่ยขออะไรบ้างรู้ไหมฉันไม่ได้ขอรางวัลอัลลอฮฺอัลเบตอาจรอนแปลว่ารางวัลฉันไม่ได้ขอ พวกท่านซึ่งรางวัลตอบแทนอันใดในการดะาว่าตับลกศาสนานี้มาไจะขอรักูท่านเลยอิล่ายกเว้นนี่ขอแล้วนะคำว่าขอไี่มาต้องเอาลอาขอนบีขอโุนอ่านขอนะขอแล้วครับอัลมววดาความรักใคร่ที่ขอนะขออย่างเดียวให้รักใคร่กันไอ้อ้งก็เป็นอย่างนี้ ก่อนที่นบีมม h o m a จะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเนี่ยคนอาหรับทุกคนรักนบีไหมรักมากเลยแล้วก็นบีได้ชื่อว่าอะไรนะอัลอะไรอัลมีอะไรนะอัลอะมีมีอีมาน์มีอามาน่าสูงอัลลอฮ์นบีเป็นคนที่ไว้ใจได้ใครฝากเงินฝากทองกับนบีเรื่องเบี้ยวไม่มีใครมีปัญหาเดือดร้อนมาหานบีนบีแก้ให้อย่างเนี่ยหินดําำ มันก่อนเป็นนบีนะเขาทะเลาะกันว่าใครจะเอาหินด่างไปวางไว้ที่กาบ้านก่อนนบีมาเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นนบีด้วยเขานั่งเถียงกันอยู่ตัดสินไม่ได้จะมีอยู่คนพูดว่าเดี๋ยวเช้าเนี้ยคนแรกที่เดินเข้ามาในมัสยิดฮารองเนี่ยให้คนนี้นะตัดสิน มันก็อลัลลอฮ์ดนใจให้นบีเดินเข้ามาเป็นคนแรกไงตัวอังเนี่ยให้มูมมัด น, น, นี่แหละยังไม่ได้เป็นนบีนะเราให้นบีฟังเดียวอัง้ขอผ้ามาผืนแล้วก็ให้หัวหน้าเผ่าทั้งหมดจะมีกี่เผ่าก็ตาเอาสิยี่สิบเผ่าเอา้าเอามายี่สิบคนจับคนละมุมละมุมละมุมละมุมละมุมแล้วก็ยกผ้าพร้อมๆกันได้ยกไหมนี่ไง ทำคิดแบบนี้อัลลอฮ์ยังบัดยังมาได้เป็นนบีนะอัลอลอฮ์เอาบาดยกขึ้นมาแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ที่กาบะนบีเป็นคนยกเอาไปวางไว้ที่ <c oughs> จบไหมจบยังครับเนี่ยเชนนี้วันนั้นน่งเขารักนบีเพราะนบีเริ่มประกาศศาสนาว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเต่านั้นแล้วเริ่มด่ามุมัดกันแล โมมาสนี่ใช้ไม่ได้แล้วแล้วคนที่ต่อต้านนะครับอบูละฮับใครลุงเห็นไหมจึงได้ประทานพูดอ่านลงมาตำหนินะตับบัยาดาอาเบลอาเบหัวตั บ, บมือของอบูละฮับพีนาแล้วก็พีนาธแล้วพีนาธจงเช็คประวัติเกษตประวัติของอบูละฮับน่าตายยังไงาเพาะโรอย่างาางี้นะโรคอะไรนะโรค โรคฟีดาสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมล่ะล้วก็ตายคนเดียวอืดแล้วครอบครัวเพิ่งรู้แล้วก็มารู้แล้วก็เอาเอาอะไรศพใช่ไหมยกศพไปวางไว้บนดินบนดินนะไม่ใช่บิดุล น, นะบนดินแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็เอาไม้เนี่ยแงแ ง, ไ, งไม่รู้ว่ากี่กี่ทอดต่อกี่ทอดเดี๋ยวทั้งหลกตกไปในหลุมเองใช่ไหม มันเป็นหัวหน้าเผานะแล้วทาไมตายอย่างนี้ลนะ่ะนึกบ้างหรือเปล่าใช้ปัญญาบ้างหรือเปล่านั่งอ่ะอารอลอเลยเล่าในกัเภียกคุณอ่านว่าตับบาทยาดาอบบีลาฮับคนที่ความอิสลามทั้งหมดเนี่ยอารอลอเล่นงานหมดเลยนะจะเล่นวันบาวันวันบายวันค่อยๆเล่นค่อยเล่ น, ลนฉะนั้นอย่าขวางสุนัขอับบีอย่าขวางกูนานอย่าขวางอิสลามอย่าขวางมุฮัมมัด อยากขวางสัฮาบ้านบีเพราะเป็นบุคคลตัวอย่างของเราในวันนี้เอาต่อมาครับกุลอลุกุมาไดฮิอารอมะมาเดอร์จงประกาศฉันไม่ได้ขอพวกท่านซึ่งรางวัลตอบแทนอันใดเพื่อการด่าวะอิสลามอันนี้ไม่ได้ขอใดจากพวกท่านเลยอิลล่ายกเว้นอัลมาวดะความรักใคร ฟิลกูรบะญาตสนิทให้รักใครก่กันกับญาตสนิทนี่อิสลามเปิดสอนง่ายๆหมดเลยเนี่ยอย่างเนี่ยนบีเคยถูกดา่าใช่ไหมวันนี้ให้เลิกด่าซะมารักนบีเหมือนเดิมคำว่ารักนบีหมายถึงรักครอบครัวนบีล้วมุสลิมเนี่ยทั่วโลกเนี่ยรักนบีมุฮัมมัด รักครอบครัวนบีรักพ่อแม่เราด้วยญาติพี่น้องเราด้วยมาวัดได้เพราะอุราหสั่งเนี่ยนี่พระสั่งฆาร์ น, นาบีนี่ไหมให้บอกว่าที่ฉันเผยแผ่ทํางานศาสนาเนี่ยไม่ใช่ทะเละาะกับญาติพี่น้องตัวเองไม่ใช่นึกถึงนบีก่อนใช่ไหมรักนบีรักสหายนบีรักภรรยานาบีรักลูกนบีหลานนาบีนะครับการรักดับศิอามก็มา ก, กไปอ่ะใช่ไหม ดาสหบา ด, ดาภรรยานาบีไอ้นั่นเองไปตอบกับเราเองเหมือนกันเพราะว่าอิสลามไม่เคยสอนให้ดาขายใชจเลยไม่ใช่มีสถูกวดาใช่ไหมอ้าวยนี่ฉะนั้นอุอาญาเ น, นี้เตือนนะถ้าจะเอาความรู้ผ่านครูนาร์ผ่านนาบีเนี่ยที่นบีสอนศาสนามานาบีไม่เคยขอรางวัลใดๆจากพวกท่านนอกจากขอให้พวกท่านอะไรนะ มีความรักใครกั น, นญาติสนิท ต, ต่อมาครับว่ามายกตาริฟผู้ใดที่สะสมเอก ต, อ ร, กตอร์ฟายกตารีฟว่าเพราสะสมเนี่ยทำความดีตามคุรอ่านตามความดีที่คุอรอัานอธิบายผ่านนาบีนี่นะรักพ่อรักแม่รักสุนาข น, นาบีรักครอบครัวนบีรัก ภรรยารักลูกรักโต๊ะรักแชรรักวะเตะจะอยู่บริเวบ้านะนะติดต่อกันนะเป็นไงครับฮาซาณาตันคือว่าความดีนาซิดลาหูเราจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มใช่ไหมที่ว่าทำหนึ่งาานะท่านนะทำหนึ่งได้สิบยัไงนาซิดลาหูเราจะเพิ่มให้แกเขาถึงเดือนระมากรี่มาที่ผ่านมาเนะี่ยใครที่ถือบวช สาบวันเท่ากับสามร้อวันเพราะว่าวันหนึ่งก็ให้สิบระบบหกอีกหวันก็เป็นหกสิบวันเท่ากับสามอยหกสิบวันหนึ่งปีพอดีหนึ่งได้สิบเฮ้ยยังครับนี่เอาล็อปเล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนกับพวกเราในวันนี้กะนั่นทําความดีเยอะๆไปน้องครับผลบุญในการทําความดีมีไหมไม่ใช่เท่านี้นะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอ้โหถ้ารู้เนาะอู้ดีอกดีใจกันหมด นะซีเดลหูฟีฮะฮัุษณาความดีในนั้นหลอยิ่งทํายิ่งเพิ่มยิ่งทำยิ่งเพิ่มยิ่งทําเรื่องลดไม่มีครับแต่ความชั่วนะทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองเรายังสั่งอีกนะเาลาสั่งมาเิยกันอย่าเพิ่งบันทึกความชั่วที่มันทํานี่นะอย่างมุสลิมทําความชั่วนี่ใช่ไหมอย่าเพิ่งบันทึกนะรอไปอีกหกชั่วโมง เพื่อเขาจะได้เตาบ้าตัวเห็นไหมฉะนั้นมุสลิมทั่วโลกไม่น่าจะตกนรกใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าไม่เรียนน่ะก็ไม่รู้แต่ต้องฟังพอฟังแล้วออทำดีจริงจริงอาต่อมาครับที่เป็นอย่างนี้น่ะอินนัลลอฮแท้จริงอัลลอ์นั้นมีสิฟัต์คุณลักษณะรอฟูรุนผู้ทรงอภัยเห็นไหม ชะกูรุนผู้คมผู้ทรงมอบรางวัลหรือตอบแทนรางวัลอัลลอฮอักบัดอัลลอชมมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอผ่านการอะไรนะผ่านการให้อภัยอย่างนี้เป็นตน้นเพราะทำความดีตามที่อัลลอฮฺสั่งแต่เวลาเข้าสวรรค์ไม่ใช่ไม่ใช่สวรรค์เพราะรางวัลนมาดนะไม่ใช่นะแยกต่างหากเอก เพราะอัลลอสฺเมตตาคนคนนี้จึงให้เขาเข้าไปอยู่ใ น, ส, นสวรรค์ของอัลลอฮสุภาโนฮฺวะตาละในทัฟซีตอธิบายบอกว่าท่านอัครีมะเล่าบอกว่าพวกกูเรชเนี่ยก่อนติดต่อกับเพือญาติดีพอนาบี ม, มาสอนปัน๊บพอรับอิสลามปั๊บแตกกันเลยไอ้คนนี้รับ ไม่มีใครครบแล้วคนนี้รับไม่มีใครครบแล้วแบบพวกเราวันนี้เหมือนกันอ่ะถ้าอยู่ในหมือบ้านกันร้อยลังคาเรือนถ้าใครอยู่แบบไม่เรียนนะพวกฉันโอ้ไปมาหาสูนกันเยี่ยมถ้าเองไปเรียนศูนนะนะเอาแล้วไอ้คนนี้เอาแล้วเอาแล้วอาแล้แอบไปเรียนศุนย์นะใช่ไหมไปเรียนฮะดิษใช่ไหมไปเรียนกูตอา่านมาเมื่เช้พวกฉันระวังไอ้เนี่ยพวกคณะใหม่อ่าวันนี้มีแบบมี่แต่เรพูดมากก็ไม่ได้ เชิญชวนคนไปสูก่การไข้เขาว่ามาฮัอภัยไปไปน้องเพราะเขาไม่รู้เอานิสัยอักาาของคนอาหรับย้ายนิยามมั า, ชาใช่หรือไม่ใช่เนี่อยอิสลามสอนแบบนี้นะครับเอาน บ, บีบอกว่าน บ, บีอ่านขุดบที่อดรคุมวดรุคุมบอกว่าอินนิตาดิกลุ่ฟีกุมทัานเนี่ยได้ละเอาไว้ให้กับพวกท่านสองสิ่ง กิตตบลล้อและคำพีคุรเลีมนี่วาอิทธิฤีและครอบครัวของฉันเป็นแบบอย่างที่ดีได้ลูกนบีลูกนบีเนีนะ่ยผู้ชาไม่มีเลยนะตายหมดนะมีแต่ลูกผู้หญิงถ้ามีนะอาจจะ ก, กราบว่ากันก็ได้ไม่แน่เนี่ยแล้วใ ห, ให้ตายให้มดให้ใจมิจะผู้หญิงอืขนาดมิผู้หญิงอย่างเดียวยังมีสิอนะ่ะ ขึ้นมาอีกอย่างนี้เราทดสภาวใจทั้งหมดเลยท่านยึดกุญานในแน้นยึดสนทรบอีจึงจะปลอดภัยนะครับต่อมาับอพระาที่24อามยาคูลูนัฟตาระลลอฮฺกัสิบะ فإن يشاء إله يختم على قلب أم يقول نفترى على الله ك ِ ب ا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحقق الحق بكلماته. อَนนุอัลเลมุบ ت ザติสุด ل ร์อัลลอฮุอَบาร์อมี่กุลูนัฟตาระอัลลอฮَคัลบ م ไฟญ ل ยะชอ ل ลลِหَยัขติมัลลาคัลบิกวยัมพุอัลลอฮุลบาติลวยูฮิควัลฮักบัก วายุหิขัลพักกับคํลิมมัติอินนุฮูอลลิมุมบิยะตุสุดูอันนี้เตือนพี่น้องกรอ่นะ อ, นะบบ อ, อย่างนี้นะเล่าก่อนนะนบีสนอยางงี้นะครับคนแรกที่นํารูปเจาเวท คนแรกที่นำรูปเจวเวตมาให้อะอับกราบมีบันทึกหมดเลยครับคนนี้นะ่ะอยู่ในฮะีอยมังบุคอรีละมุสลิมชื่ออัมริบนี่ลูไหน บ, บีเห็นคนคนนี้นะ่ะเดินอยู่ในนรกลากไส้เดินลากไส้อยู่ในนรกอลัลล์ให้เห็นให้นบีเห็นเห็นภาพนะ่ะ ให้เห็นคนเดียวครับไม่ได้เห็นทั้งโลกนะเห็นเฉพาะมุมหมายคนเดียวอ่ะให้นาบีเห็นผู้ชายคนหนึ่งชื่ออัมบิลไห์อัลกามะยาจุรุกุสบะกุสบะแปลว่าลำไส้ของพวกเขายายุรุแปลว่าเดินลาบไส้ของพวกเขาเท่าด้ำไส้มันอยู่ในท้องใช่ไหมเนี่ยอัลลอฮ์ให้อยู่นอกท้อง แล้วก็เดินไปปนังกระลาไส้ตามไปด้วยสายเหตุเพราะอะไรครับเป็นคนแรกที่นาเอารูปเจว็ตให้คนอาหรับกราบอะไรแรกๆเนี่ยวังให้ดีนะเป็นคนแรกที่นาเอารูเจว็ตไปให้คนอาหรับกราบ ว, วันนี้ระวังให้ดีนะพ่อแม่เนี่ยไปทําชริก พาชิริกเข้าบ้านให้ลูกทำชิริกให้เมียทำชิริกจะถูกลากแบบนี้หรือเปล่าเราไม่รู้แต่นี่เล่าให้ฟังคนแรกที่นี่นบีลเล่าเองนะครับอัลลอฮฺอักบารนะครับฉันเห็นชายคนหนึ่งเป็นคนแรกที่เดินลากไส้ในนรกเพราะเป็นคนที่พ า, จาเจวตให้คนอาหรับกลาบ ระวังให้ดีนะขันกาบใครได้ไหมไม่ได้กาบต้นไม้ได้ไหมไม่ได้กาบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ได้ไหมไม่ได้และอัลลอฮ์ส่งนบีมาทั้งหมดในโลกนี้สอนอย่า ก, กราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องเดียวกาบศักดิ์สิทธิ์ตัวเองก็ไม่ได้สาบานกับกุปรานก็ไม่ได้อะสาบานกับใครอัลลอฮ์ เนี่ยมันต้องเรียนหมดเลยเราต้องศึกษาอัลลอฮฺฉะนั้นคนที่ทาอะไรเป็นคนแรกแรกแรกแรกระวังไงดีในยุค ข, ของนบีบรอฮิมคนที่ปั้นรูปจะเข้ขายนาใครพ่อใช่ไหมชื่อไรชื่ออาซัตไม่เชื่อใ น, นกุรานด้วยปั้นแล้วก็ขายหาเงินเลี้ยงลูกอีกใช่ไหมบันทึกไปหมดเลยอ่ะฉะนนอย่าทําชิริก อย่าเอารูปจะเวดอย่าปั้นรูปจะเวดขายไม่คุณโทษถมหาผมเมื่วานเนี่ยนี่เรื่องเรื่องเรื่องนี้แล้วจากจังหวัดไหนผมลืมไปแล้วละ่พะพอขายของได้เอาเงินมาให้สุเรา <c oughs> เอาบริจาก็ว่าถ้าคุณรู้อย่ารับไม่รู้ก็รับไปถ้ารู้อย่ารับ ทำชีวิตมาทำบามากเอาเงินฮารอมเข้าบ้านไปให้สังคมองอ่ะเพราะความใจเห็นเพราะเขาไม่ฟังศาสน า, านะอันนี้เล่าแค่นี้ก่อนครับต่อมาครับดูกุณอังนะครับอัมยะกูลูนฟตารอหรือว่าพวกเขากล่าวว่าอิฟตารอแปลว่ากุเรื่องโกหก พูดเรื่องเท็จอัลลอฮฺต่ออัลลอฮ์การบีบารแปลว่าความเท็จอิฟตรารอแปลว่ากุเรื่องแล้วก็การบีบ า, าเรื่องเท็จใครที่กุเรื่องเท็จใส่อัลลอฮมิบ่างอ้าวอย่างพวกคริสเตียน น, นะนะว่าอัลลอฮมีลูกชื่อน บ, บีอิสามีภรรยาชื่อนางมารยามิมกุบ่าวกุครับ แล้วคนที่เอารูปจเจว็ตเข้ามาอยู่ในกลุ่มอารับคนแรกนะครไม่มีชื่อด้วยนะถูกลากเดินลากไส้ในในรกและคนอื่นนี่มันจะเล่านะให้ชายปัญญาเอง <c oughs> ฉะ่นั้นอย่าทำอะไรเกินหน้าที่เกินตำแหน่งเกินคำสอนที่นบีสอนที่อานกออร์พูดแค่นี้ทำแค่นี้พอแล้วพี่น้องนี่ก็ทำไม่ไหวต้องขึ้นตาหยุด น, yeah, น่ะแย่แน่น ที่อายุเยอยๆอายุหกสิบเจ็ดสิบอัลลอจะแต่หัดอยูจะนมา ไ, ไว้กูแย่แล้วนุ่มๆไม่เคยทํออเาเลยไงพอจะเข้าใจศาสนานะอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบก็ไปแล้วอัลลอฮฺขึ้นก็ขึ้นไม่ไหวเมื่อคืนนอนท้องเสียเตือนตามมันจะได้ให้ทําความดีตอนนุ่มๆเนี่ยยังนุ่มอยู่ใช่ไหมเอาเรีบทําความดีซะตอนนี้ทมเดเลยเอาต่อมากับหรือว่าพวกเขาเนี่ยอะไรนะ กูความเท็จให้้ายกับอัลลอ์ท่านคนที่กูความเท็จให้ได้อัลลอฮ์อัลล์ลงโทษหมดนะแต่ตอนนี้ไม่ลงโทษเพราะประวิงเวลาเอาไว้ให้เขาได้กลับเนื้อกับตัวมาเรียนอิสลามซะกลับเนื้อกับตัวซะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองซะต่อมาครับฟาอ ย, ยาชาอิลลัยาชาแปลว่าประสงค์ ถ้าอัลลอฮฺประสงค์ยักต็มทรงผนึกคอตาม่าแปลว่าผนึกหรือตีตาอ่าผนึกอลากลบีกะหัวใจของพวกเขาก็ดานี่ไงตรงนี้น่ากลัวมากครับอัลลอฮฺประทับตาบนหัวใจของเขาให้ไม่คิดเรื่องอัลลอฮฺรอดสูญไม่นึกถึงกุนอาห์ไม่นึกถึงสูญ น, นะเพราะอัลลอฮฺประทับตาหัวใจไปแล้ว ระวังนะพี่น้องต้องกลัวเนะค่หนวึนน่งนึกถึงอะไรนึกถึงน้มานึกถึงทำความดีนึกถึงยุคกรุณาแต่ถ้าไม่นึกเลยตรงนึกอลัลลอฮฺประทับตาฉันหรือเปล่าเนี่ยทํำไมไม่อยากมามัสยิดเนี่ยทําไมไม่อยากเปิดกุฎานอาลัลลอฮฺประทับตาหรือเปล่าญาญาพี่น้องตัวเองเนี่ยอัลลอฮฺประทับตาหรือเปล่าต้องนึกนะ ถ้าเราไม่มีเรื่องนี้อัลฮัมมีลเราเปิดใจกัแล้วอัลฮัมดุอยู่ลแล้วฉะนั้นหน้าที่เรานะช่วยกันได้ว่าอิสลามส่วนใครจะรับไม่รับหน้าที่ของเราเปล่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาลาฟียชาอิลลถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ยักติมบปว่าทรงผนึกหรือทรงประทับตา อาลบนกอบิกยกัวใจของท่านก็ได้อลลอฮนี่พูดตรงตรงง่ายๆต่อมาครับวายมฮุลลอฮุลบาติลมาหายามฮูลแปลว่าอลัลลอทรงขจัดอัลบาติลความเท็จอลัลลอฮสามารถไม่ให้มีเรื่องเลวๆร้ายๆบนหน้าแผ่นดินนี่ทำได้ไหมได้จะขจัดความชั่วออกจากหัวใจเราทำได้ไหมได้ ทำได้หมดนั่นแหละเนี่ยความชั่วเต็มแผ่นดินเลยเพราะอะไรล่ะก<ช>็เพราะมนุษย์เนเอาอารมณ์ตัวเองมเป็นใหญ่กว่าคําสั่งของอัลลอฮ์ใช่หรือไม่ใช่ไม่ถูกใจคนนี้ยืนด่าเขาไม่ถูกใจก็ทะเลาะกับเข า, กกเขาแย่งเขาโกงเขายืนด่าหน้าสุราอย่างเงี้ยเอาอะไรมาใช้อะ ทคนที่มีอักราจีดีต้องดูทราบาาบ้านนบีแล้วก็ดูนบีเป็นแบบไม่เคยด่าใครมีแต่ถูกตําหนิถูกตําหนิถูกตําหนิถูกดา่าถูกร้อเล็มอย่าลืมนะคนที่อลัลลอฮฺจะรับดวอาหนะคนที่ถูกด่าเยอะๆเนี่ยขอร้องอัลลอฮฺรับไหรับครับเอาต่อมาครับว่าอย่าให้กุลฮักกอบิคาริมาติอย่าให้กูเบวายืนยัน อัลฮัแปลว่าความจริงบิกาลีมาที่ฮีด้วยพจนานด้วยคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอากุรานมาเนี่ยให้เรามาเล่มหนึ่งในนี้เนี่ยเป็นศสัจธรรมหมดเลยเป็นข้อยืนยันว่าความจริงน่มาจากอัลลอ์จากกุรานแล้วดูทางนอกก็ได้ดูจากสุนนะนบีเป็นแดดดูจากสวบ า, นนาบ้านนบีว่ากขาทำอะไรกันบ้างในยุคก่อน อย่าลืมมาสอบบานนบีนะเป็นมอลลับรับอิสลามใช่หรือไม่ใช่อบูบากัตรับอิสลามสนาอุมัดรับอิสลามแล้วไปศึกษาเราบากดูสิแต่ละคนนีอร่อยไหมแต่พอรับอิสลามปัเปลี่ยนนิสัยหมดเลยเปลี่ยนหมดทําไมเขาเปลี่ยนได้กันก็เนี่ยเมื่อเวลาเขาจริงใจกับอัลลอฮ์จริงใจกับสุนนะนบีจริงใจกับมุฮัมมัดปั๊บนี่เปลี่ยนนิสัยได้หมดเลย อย่างนี้เป็นตัวเราในโชคดีนะอยู่รยุค ผ, amino, ผ zusammen, ่านมาผ่านศรีรปีมีตัวอย่างในอดีตให้เห็นตั้งเยอะแยะไปหมดเลยนะน่าจะเป็นคนดีได้แล้วนะห้ามดูแลก็เป็นคนดีอยู่แล้วนะห้ัมดูแลต่อมากับอินนอวะลิมบิดาติสูดอัลิมแปลว่าทรงรอบรู้บิดาแปลว่าอยู่อัลสูดุแปลว่าอก เรื่องในอกของเราอัลลอฮ์รู้หมดเลยตอนนี้คิดอะไรอัลลอฮ์รู้แล้ว <c oughs> จะแชร์หรือไม่แชร์มันเกี่ยมันอัลลอฮ์เราเอนอะช่วโมงนี้วันที่เท่านั้นเดือนนั้นอยู่บนโลกดุนยาคุณด่อัลลอฮ์ใช่ไหมโอ้โหจ <c oughs> ากนี้เปต้นดังนั้นไม่มีความลับบนโลกดุนยาใบนี้ไอความลับของเราที่อาัลลอฮ์ปิดไว้เนี่ยคนอื่นรู้อย่าไปเผยเขานะเก็บเก็บกันไว้บ้างอัลลอฮ์อ เรื่องโรคโควิดยังปวดหัอยังไม่จบเอาเรื่องใหม่ๆแล้วเอาต่อมาครับอายาที่เท่าไรยี่สิหาครับอัลฮัมดูลิลละหัววันเลยยากบเลุตต้าเบตาอันอิบาดิวยาฟูอันอิเศย์ وَيَعْلَمُ مَا ت ล ف ْอَ ل ُ و ن َเอกรบดีมาค่าอักบกรายนี้วَฮ์วะฮ์อัลِอฮฺอัลลอฮฺเ ت กรบดีมักจะรู้วَ่อย่างนีَ้ะฮ์วะฮ์อัลลอฮฺอัลลอฮฺเอกรบดีมักจนี้วะฮอเร่าอยงนี้เร่าองะ์บ เตบาตบ้าไปว่าอะไรกับเนื้อกับตัวสารภาพผิดกอนละ่ะคนมีความผิดทุกกนรทุกคนใช่หรือไม่ใช่ยกเว้นนบีมุฮัมมัดใช่ไหมเรียกว่ามาซูมเราก็มีความผิดตรง น, นี้นั่นสารภาพผิดจ้ะ เดือนที่ดีที่สุดในการสารภาพผิดในเดือนรามดอนนอกเดือนรามดอนตบวัวได้ไหมได้ขอเล่านิดหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วลมีชายคนหนึ่งจะสงขาแล้วกันนะหาเล่าแค่นี้นะขับรถเที่ยวซาบหาผมสามสี่วันาการจะมาเยี่ยมจะมาเยี่ยมจะมาเยี่ยมบอกอเชิญเชิญเชิญก็ขับรถมามาจอดนาบานก็เข้ามา ท่านมาเยี่ยมผมในเรื่องอะไรจะมาสารภาพผิดผมก็นึกเลยนี่เอาลักษณะของพวกคริสเตียนเข้าโบสไปสารภาพผิดกับบาทหลวงนะผมนึกเลยนะคุณจะใช่แน่แหละทำไมต้องขับรถจากบ้านคุณมาหาผมที่นี่จะมาสารภาพผิดกับผม ก็าขูจบผมบอกคุณเขา้าใจะิึหมดเลยนะตาบ้านตัวต่ออนะัลลอฮ์น่ะคนเดียวทําได้ไหมได้ในบ้านทําได้ไหมได้เวลาไหนได้ทุกเวลาไม่ต้องต่อหน้าต่ออิหมัมไม่ต้องต่อหน้าต่อครูไม่ต้องไปต่อหน้าใครแบบคริสเตียนไม่ได้เพราะมุฮัมมัดเป็นคนเดียวที่ให้รูปแบบนิไว้ในคัมภีร์คุราน ใช้เวลาจะเจ้าปลาตัวมันต้องไปหาต่อครูไม่ต้องไปหาต่ออิมามไม่ต้องไปหากอดองกอดีกุลุงตูราไม่ต้องไปกับตัวที่บ้านได้ที่บ้านได้เลยวันไหนก็ได้แต่แนะนํานะอ่านน้ำมายก่อน น, อน้นำมาก่อนสักกระดาษอาจารย์ขอเจ้าปาตัวต่อนแล้วตอนสูด ย, ยิ่งดีใหญ่เลยเห็นยังครับนี่คนยังไม่เข้าใจอิสลามมีเยอะไหมเยอะ นี่บางคนก็ไม่กล้ามาไงใช่ไหมนี่ น, นี่อัลลอฮ์ให้เห็นนะกรณีเดียวในผมจำนะเนี่ ย, ยโอ้โหสงสารกันคนนะเอาเรขับรถมาก็มีรางวัลอ่ะนะท่านนึกจะมาเยี่ยมนะ <c oughs> มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เอาต่อมาครับดูกุณอ่ว า, วลลวานว่ า, าวันแรกนีู่ว่าแปลว่าข่ามาถึงพระองค์มาถึงอัลลอฮ์เนี่ยยักกะบลูทรงรับอ่าทรงตอบรับทรงรับ อัตตาบะการกลับตัวการอภัยอยโทษอัลลอฮฺได้ไ ห, ไหมไม่ดีนี่เปิดโอกาสให้กับคนที่ทำผิดทำผิดแล้วอย่าแช่ความผิดแบบป้าเชงอ่ะแช่อะไรแช่น้ำน้ำอะไรนมม้ำมนมนาวแช่เป็นสิบสิบปีน้ำมันอร่อยแกมากแก้โรคได้แต่ความชั่วนะแช่ไม่ได้ต้องรีบตบาตบะตบาตบะตาบะตาบะด่าพ่อแม่ไว้เมื่อห้าปีที่แล้วตบาตบะตบาบะตั ว, ตวยัง ด่าแม่ตัวเองอ่ะตะตัวยังปตะหวาดแม่ตะบ้าตัวยังไปด่าลูกอะตะบ้าตัวยังอ่ะตบ้างดอัลลอฮ์ยักบาลุตะบ้าทรงรับการกลับตัวรับการัยโทษสบายใจไหมอ่านกุณอัจฉายะนี้อัลลอฮ์อัลลนี่ไงอัลลอฮ์อัลลอ์ใจดีกันาหไหนครับต่อมาครับอันนในบาดี จากบวงเบาของพระองค์ทุกคนเจ็ดล้านคนมีความเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยเจ็ดร้อยล้านเจ็ดิบล้านนี่ไหมเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดสิบล้านเนี่ยทุกประเทศทั่วโลกกันนะทําความผิดตาบ้าตัวเรารับหมดเลยพร้พอมๆกันเลยเนี่ยเจเจร้อยล้านเนี่ยพร้พอมๆกันรับด่านได้ไไดต่อมาครับ วายาฟูศัพท์ตรงนี้ดีมากอาลฟายาฟูแปลว่าอลอสรงอาภัยอา น, นิสไรยาความชั่วความผิดทั้งหลายอัลลาหอัฺบักในตับซีรกาบีรเล่มที่27หน้าที่1น5่งอธิบายดีก็บอกว่านะีจากตับซีร์มาว่าที่ภาษาอัดกฤนะครับ อธิบายวาวายาฟูอันิสยัย อ, อ, อาตอัลลอฮ์ทรงอภัยความผิดความชั่วทั้งหลายบางครั้งนี่นะอลัลลอฮ์รับการเตาบะเพราะรับอภัยโทษความผิดเพราะผ่านเตาบะตาราจันยาฟูบีวาซืตัตีกูบูหลุดเตบาบาอัลลอฮ์เนี่ยอภัยโทษความผิดของมนุษย์เพราะคนนี้ เตาบ้าตัวสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ว่าตารตันบางครั้งนะนี่มันจะผมพูดนะะตับซีดอธิบายนะกะบับบดนะการทําให้อภัยโดยไม่ผ่านการเตาบ้าก็มีอัลลอฮ์เมตตาอย่างบางที่เราทําผิดแต่อลัลลอฮ์เมตตาเราให้อภัยเราไม่เอาโทษเราเราก็มาได้เตาบ้าตัวเตาอลัลมีไหมมีนี่ อ, อัลลอฮ์ เล่าอนอุลมามะได้อธิบายว่าการเตาบาเนี่ยบางคนผ่านการเตาบาเาลาอภัยโทษอีกคนเนีงอภัยโทษโดนไม่ผ่านการเตาบาเพราะทําความดีอื่นๆเยอะใช่ไหมล่ะเลื่มเตาบาแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งมีชาว บ, บ้านอบดุลเบีคนหนึ่งมาถามท่านนาบับียรว่าเนี่ยมีคนริมบ้านชันนี้ยเขาติดต่อกับญาติทีน้อง แล้วก็ทำดีส่งอาหารให้คนยากคนจนเขาได้ไปสวรรค์ไม้ในวันเกียมาถามนาบีคือจัดานจัดานไม่ได้บอกทำไมฮะเพราะอะไรอ่ะเพราะทางชีวิตของเขาไม่เคยขอทุอาอัลลอฮฺมักเฟรดีคอตีอาตีอัมั ด, ดีอัลลอจ่าจอัพยโทษในความผิดของฉันบนโลกดุญยาด้วยไม่เคยพูดเลยในวันอาคี ไม่เคยพูดคำนี้เลยในชีวิตของเขาทั้งชีวิตเนี่ยอัลลอฮุมะฟิลีคอตีอาตีเยามมาดีมาลอยจากกระยความผิดเหมองกันในวันเกียรมาด้วยไม่เคยพูดแตนท่นถึงจะทำความดีมากมายขนาดไหนก็ตามเพราะตะกับบุญเยอะยิ่งจองหองกูแน่ <c oughs> ฉะนั้นอย่าไปแม่กับอล่อเลยนะทำตนดีกว่าทำตนทำตนมันต้องขอหนุ่อายอัลลอฮับั วาวัลลาียักบัลุดเต้าบัตานไนบาดีพระองค์คือผู้ทรงอภัยนะครับอภัยโทษนะจากปวงเบาวของพระองค์และทรงอภัยความชั่วความผิดทั้งหลายวายาลามุมาตาฟาลูและพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่สูญเจ้าปฏิบัติอัลลอฮฺปฏิบัติอายานี้เตือนว่ารอดในเปิดประตูแห่งการเต้าบ้าเอาไว้ สามารถเตาบ้าตัวได้ทุกเวลาไม่ต้องไปหาโต๊ะครูโต๊ะอิหมัามนะครับคณะกรรมก า, การกลางกทมไม่ต้องไปหาเขาหรอกนะครับเตาบ้าตัวที่บ้านได้ไหมต่งวันก็ได้กลางคืนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้แต่ถ้ายา่ำน้ำาําน้ำหมาดน้ำหมาก่อนก็สเรอยู่ต่อแล้วแล้วขอดูอาต่อแล้วนะครับอายะที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบหก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 و َ ي َ س ْ ت َบِ ي ب ُ ا ل นّ ذ <gray> <S AM EN> ِ ي <derni> ن <ary> َ آمَنُوا و َ ع َกِ ل ُ و ا ล ل ص َّ ا ل ِ ح َ ا ดี و َ ي َ ز ِ ي د า ه ُ م ْ م ِที่ไม่เชื่อจะได้รับการลงโทษอย่างหนักแน่นอัลลอฮฺเราบอกว่านั่นคให้เกียรติยกย่องให้กำลังใจผู้ศรัทธาแล้วก็ ทำนี่คนคาเฟ่ด้วยอามาดูศั์ครับยัสตาจีบแปลว่าอลัลลอฮ์ทรงตอบสนองอิสตาญาบยัสตาจีบูแปลว่าตอบสนองนะครับใจดีนะรนะ้อนนะอัลลอดีนะอามานูบัรดาผู้ที่ อมานที่นี่พูดถึงเรื่องดูอาอ้าย่ น, นี้เขียนเลยนะเรื่องดูอาถ้านั้นมุมินเขาขอดูอาเปล่าอย่าลืมนะนามาทั้งหมดเป็นการขอดูอาหมดเลยใช่หรือไม่ใช่ใชอลองแปดูสิ Subhanallah ala อ u b h a บ a l l ล h a l a z i m r a บ b a n ล wala k h a ั i m d o นี่ขอดูอาหมดเลย ทุกอริยาบทเป็นการขออุทิศทั้งหมดฉะนั้นเข้านามาตรูปของนามาตนั้นเป็นการขออุทิศอภัยโทษจากอัลลอฮ์เกือบทุกทุกอิริยาบทเรา บ, บิลฟิลีแปลว่าอะไรประละจากอภัยโทษในฉันด้วยตอนนั่งสองโซโยใช่ไหมเรา บ, บิลฟิลีเรา บ, บิลฟิลีไอ้ยังฉะนั้นการขออุทิศของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้น อัลลอฮั า, านึง่งะาสตาจีอัลลอฮสองตอบสนองหรือตอบรับอัลล อ, อีนมนุบรดาผู้ที่ إ ي ม ا ن หวานมิรุสซาเลฮะและประกอบการดีทั้งหลายเรื่องการขอดุอาในตับซีอธิบายเรื่องการขอดุอาเห็นฉันมุสลิมไม่ด่าคนเ <c oughs> วลาเขาด่ามาเป็นไงให้อภาัายอย่างนี้เป็นต้น เตือนลูกเลยลูกๆมา่อตอนไปยืนดาวก็ายไแห้งไฟห้บอกภรรยาชมภรรยาบ้างเดีแกงอาหารแกงไม่อร่อยก็ต้องชมหู้อาหารเธออร่อยนะแล้วขอน้ําปลา ไ, ได้ไงอ <c oughs> ย่างนี้เป็นต้นนั่นนะครับเอาต่อมาครับวายาซีดาฮุมอันนี้อันนี้ดีมากครับยาซีดาฮมุมเราจะเพิ่มพูนอ๋อที่ผ่านมา ก, ก็มีใช่ไหม ทรงเพิ่มพูนที่ผ่านมาก็มีใช่ไหมทรงเพิ่มพูนวาดีนะฮุมอัลลอฮ์ทรงเพิ่มพูน อ, อ, อัลลอฮุอัลอัลล์ทรงเพิ่มพูนวาดีนะฮุมเพิ่มพูนให้กับพวกเขาเหล่านั้นมิมลฮิจากความโปรดปรานของพระองค์ขอดุาอลาัลลอ์รับแล้วเสร็จแล้วยังเพิ่มพิเศษให้อีก อ, อ, อัลลอฮุอั ต่อมาครับวัลกาฟิรุนที่อยู่บนโลกดุนยาไปนี้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เอาอัลลอ์มีไหมอัลลอฮ์ชายชื่อว่ากาเฟผู้ที่ปฏิเสธลาฮุมสำหรับพวกเขานั้นอาลาบุญคือการลงโทษชาดีดุนแปลว่าสาหัสอย่างรุนแรงใช่ไหมตกลงว่าโทษมีหรือไม่มีมีครับแต่อยู่บนดุนยานี่ยอัลล์ให้เพลินจริงๆนะไม่เอาอัลลอ์อัลล์ให้ เอาเงินไปแบบไร้แบบกอรูนไหมานะแบบพามาและแบบไร้อีกแบบเิืองฮามานกรูนสามคนนี้ตัว เ, เอหมดเลยหลงวัตถุหลงเงินหลงตำแหน่งรอดหรือไม่รอดไม่รอดทำทำไมดีๆแล่วเล่าๆนักบุีครูมาให้เราเปิดหูเปิดใจเราครับเอาต่อมาเกี่ยวยัสญาติสุายิก็ น, นึกถึง นึกถึงอายาที่เราผ่านมาอายาที่สิบก้าของนี่ล่ะของสุรานี่อนะัลลอฮ์เนี่ยเราตีฟุน่นอัลลอฮ์ทรงอะไรนะทรงเอ็นดูมนุษย์เขาไวเอ็นดูเนี่ยสามรายการนะสามวุสีที่เรียมาแล้วนะหนึ่อัลลอฮ์ทรงทรงคุรอานมาเป็นทางนำสองสมนบีมาอธิบายกุรอานบายดูอิง อธิบายคุณอ่านการปฏิบัติเลยทําอย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้นะครับข้อที่สาใครที่ทําความชั่วเอาล่อประวิงเวลาเอาไว้ไม่รีบลงโทษดีได้ไม่ดีนี่ไงทีนี้พอประวิงแล้วเอาล่อให้เพลินยังไงเอาเงินไปเอาเมียไปเอาบ้านไปเอาที่ดินไปเอารถไปเอาสวนไปสวนลุงกห้าห้ารอยไร่ไปเอาไปเลยเพลินยังไม่เพลิน เพลินครับพอความตายมาถึงก็หอดอี ย, ยาอัลลอฮ์าจาอย่างนี้ป น, นั้นอย่าเพลินเยอะอ่าดันั้นอัลล์เวลาอัลล์จะเมตตาเขให้ป่วยไงให้มีปัญหาก็ได้คิดอ๋อเนี่ยอัลลอ์ท่า น, นอย่าคิดว่าอลัลลอ์รักฉันให้เงินให้ทองเปล่าให้เพื่อการทดสอบให้ประการทดสอบ เมื่ออัลลอร์รักเบาคนไหนเราจะให้เขาไม่สบายต่ไม่รู้สึกตัวผมไม่สบายคิดถึงหมอก่อนอย่าเพิ่งคิดคิดถึงใครก่อนคิดถึงอัลลอ์ก่อนอัลลอฮ์ให้เจนป่วยอย่างเราจะฉันทำอะไรผิดก็พราะต้องนึกนะอ๋อไปด่าคนนั้นไว้โอ้ใช่เลยไปด่าเตะเอาไว้ไปด่าจูเอาไว้ทะเลาะ ก, กับเมียมาเดือนที่แล้วยังเรียตาบ้าตัวเลยเนะี่ยมันต้องนึกนะออ หรือว่ามักจะไปสุดท้ายว่าเราบริสุทธิ์อัลลอฮฺริษัทีอิบบะดีห์ลาบะกวู้ฟิล้อร์ว่าแต่ยูนัลลิบิคัดริมมายาชานนั่หูบิอิบิอิบอิบบะดีห์ขับรุม ว َلَوْ بَسَطَ اللَّهُ ล ل ر ِّ ز ْ ق َ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ ับความรู้ถ้าไม่ได ك ِ ن บการสอนถ้าไม่ได้รับการอบรมถ้าไม่ได้รับการอบรมถ้าไม่ได้รับการอบรมถ้าไม่ได้รอบรมถมด้ามากับอ เอาดูสับครับบาสตอนี่แปลว่าแทนให้แพนเอาไปขนเอาไปบาสตอเนี่นะแปลว่าอะไรนะทรงเพิ่มพูนทรงแทนให้จะเอาเท่าไรขนเอาไปว่าแล้ถ้าหากอ๋อบัสตอแปลว่าเพิ่มพูนโดยไม่จากัด จำนวนให้แบบไม่จํากัดจํานวนเรียกว่าบอสกดีเลยไม่ดีผมไม่เอาริสกีมาถึงเงินทองชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศซึ่งคนทุกคนอยากได้หมดเลยใช่ไหมถ้าหากเอาล่อเนี่ยนะเพิ่มให้โดยไม่จํากัดอัลริสก็เครื่องยังชี รู้ไมมความเสียมีอะไรบ้างเลี้ยงอิบาดิฮแก่ปวงเบาของพระองค์เนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังไม่เชื่อเรื่องของเองถ้าหากอาลัลลอฮ์จะอะไรนะจะแผ่หรือเพิ่มขึ้นให้โดยไม่จํากัดจํานวนแก่เบาของพระองค์ริสกีเพื่อยําชีพเหมือนใครครับเคยให้มาแล้วให้กับฟรอ้อนใช่ไหมให้พระราชวังให้ตําแหน่งเป็นคิง ให้กอรูลอะไรนะลูกกุญแจขายครั้งเนี่ยเจ็ดแปดคนแบกไม่ไหวล้วก็ให้กอรูลพามานเป็นข้าราชการโอ้โหเลียดเลียกเก้าอี้ก็เก้าอี้หวังนะนะพูดตรงๆอย่างนงี้นะแล้วเป็นไงครับอัลลอ์ให้เพลินบนดุญยาลาบาเราผลจากการที่อัลลอ์ให้ริสกีเยอะชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศ เงินผู้หญิงเอาไปเลยใช่ไหมพอได้แล้วนะครับลาบาเราวพวกเขาก็จะกระด้างกระเดืองดีหรือไม่ดีไม่ดีเห็ไหมด้านนิสัยคนเป็นแบบนี้จริงไหมจริงครับนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังอัลลอ์เพืสร้างมาด้วยพระหาตของท่านเองอะ่ะท่านรู้ถ้าหาว่าให้อะไรเยอะๆโดยไม่จํากัดจํานวนที่ให้มาแล้วนะ ฟาโรนกอรูนฮามานจะเป็นไงครับลาบาเราวพวกเขาจะ ก, กระดั้งกระเดือนที่ไหนฟิลอารดีบนหน้าแผ่นดินอันนี้ไปกระดัางกระเดือนบนชั้นฟ้าเชินตอนนี้ยังอยู่กับมนุษย์นี่แลหละไอ้มนได้ไปตั้งตัวอย่างเลวเลวๆลวเลวเ ว, เ, วเอาไว้น่ะพอมีเงินกูมาสู่อยู่พอมีเงินกูตะการบุญเยอะยิงจองห้อง เอ็องทำแบบไม่ดีให้กับชาวบ้านเขาเห็นนะ่ะขนาดสร้างจจเวตใช่ไหมอร่อยยังให้ลากไสในนรกอะ่ะแต่เอ็องสร้างแบบอย่างนี้ไว้อร่อยจะไม่มันไสล่ะท่านเรามีหน้าที่เดินต่างสุ น, านัาบีอย่างเดียวอย่าไปขวางโงนัฐบีลาบาเราฟิลเอาดีพวกเขาจะ ก, กระด้างกระเดืองหน้าแผ่นดินถ้าไปอยู่อุดาวอาคารไปเลยคุณเดียวเองอะ่ะ นี่มเดิน อ, อยู่ในซอยหน้าบ้านตอนนี้นนแหละอัลว่าขับรถยี่ห้อแพงๆไม่เข้าสู่เราในเวลาอาจารแต่ฮัดยุดธไม่เคยตื่นึงสร้างแบบเร็วๆเอาไว้ให้คนเห็นหมดเลยอ่ะครอบครัวเองก็เร็วมดแล้วเพราะเมียก็ทำตามลูกก็ทำตามตัวเองลาบะเราฟิลอารดิกระด้างกระเรืองนาแผ่นดินว่าลลกินแต่อยู่นัดล ประทานลงมามาจากที่สูงด้วยนะอยู่น้ำซึมแบบประทาดาวฝนเนี่ยแปลว่าอยู่น้ำซให้ฝนตกลงมาจากที่สูงอันนี้ก็เหมือนกันอยู่น้ำซึประทานลงมาบีกอดรินตามสภาวะให้จำนวนจำกัดพออยู่ได้สบายใจไหมอะไรไม่ให้เราอดตายหรอกครับแต่ พ, อ อ, พออยู่ได้ั้ยพออยู่ได้ ในบ้านหลังหนึ่งมีเมียคนหนึ่งมีรถคันหนึ่งมีที่ดินห้าสิบตารางวาหรือไม่มีก็เชาวบ้านรู้ปล่าลูกสาวนาบีจริงปฎิมาตอนแต่งงานนะ่ะพอแต่งเสร็จเนี่ยบ้านไม่มีอยู่นะนบีบอกไปเช่าบ้านไปลูกนบีเห็นยังครับนบีก็ไม่เวอ้อไปเช่าบ้านได ศานา阿里เนี่ยไปขอลูกสาวนาบีน่ยไปยังไงรู้ไหมมันจะยกขบวนแห่ไปเป็นร้อยคนที่ไนะไปคนเดียวเดินมาหานาบีนบีมองหน้าอันที่ถามว่าอา阿里วันนี้จะมาขอลูกสาวฉันใช่ไหม阿里 <c oughs> บอกใช่ครับใช่ครับใช่ครับมีมหัศอะไรบ้างศาสนาลีไปคนเดียวนี่ยไปขอลูกสาวนาบีชื่อฟาติมะมาได้นนพอ มันจะพาญาติพี่น้องไปคนเดียวเห็นยังครับนั่นรูปแบบพี่ท่านน บ, บีที่เขาทํากันไว้แบบง่ายๆเพื่อไม่ให้มีสีนาเข้าใจมหมนะอย่างนี้เป็นต้งแล้วก็อา้าวมหัตบา บ, บอกไม่มีเสือ้อกาะอยู่ไหนน บ, บีถามเอาเสือ้อกาะมาเอาเป็นมหัตแทนเนี่ยทารูปแบบให้เห็นง่ายๆอย่างเงี้ยเราไม่เอากันกต้องเชื่อดวัสิบตัวใข่สอนน่ะ แต่แค่นี้พอาะนะคุณมากเขาก็นำมาอีกอต่ะมา็ว่าแล้วเบซลลอฮฺริสโกลลาอีบะดีและถ้าหากอัลลอฮทรงเพิ่มเครื่องยังชีพแก่ปวงเบ่าของพระองค์โดยไม่จำกัดจำนวนหรือว่าจำกัดปริมาณพวกเขาต้องกระด้างกระเดือ่อมหน้าแผ่นดินแน่นอนใช่หรือไม่ใช่ใช่เพราะผ่านมาแล้วในอดีตใช่หม ใข่กอรูนฮามานเิรนกอนอย่างนี้เป็นตน้นต่อมาครับวัดกินอุนทริลูบิดกอริมอยากะแต่ว่าอัลลอทรงประทานตามสภาวะหมาถึงให้พออยู่ได้ลำบากบ้างสบายบ้างเจ็บบ้างป่วยบ้างมีเงินบ้างไม่มีบ้างถูกด่าบ้างถูกชมบ้าง นี่แหละอัลลอฮ์ให้มาแบบนี้แหละชีวิตมนุษย์เป็นแบบนี้มาเยเชตามที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ประสงค์ให้เราอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดมาเป็นเป็นเป็นไรานาเป็นหนูอัลลอฮ์ต้องวิ่งอยู่ในครัวเขานะ่ะถ้าเกิดมาเป็นนกนอนอยู่คนต้นไม้เคือรังก็ไม่เมียมาต้องคิดอัลลอฮ์เนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยมีบ้านอยู่ร่ำโดยละมีที่นอนนั ซอกนึงอ่ะต้องนึกต้องขอบคุณ AH อันต่อมาครับ <t> อินนาหูเบียบอาดีแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงขอบีรุนทรงตะหนักแต่ว่ารอบรู้ทุกชนิดละเอียดไอบาดีบ่าวของพระองค์ทุกคนจะร้อยล้านบอสีรุนทรงเห็นอัลลอสาเหตุอาญานี่ที่ลงมาอันนี้สาเหตุนะ เขาเรีว่าอัสบาบุนโนรูลอารุสุฟ่ามีประมาณ 6-7 คนอยู่ที่เพลิงหมาเหงเง็นที่ท่านนาบีสร้างเอาไว้อาบูอาบูฮเรลรนี่ใช่ท่นนานซนบิลานี่ใช่แล้มีอีก 5-6 คน<ม>พวกนี้น่ะเห็นพวกบันีกูรอย์ร์บันีนาบีรบันีกอยนากอสามตะระกูลรายใหญ่อยู่ใ น, นมักกะรวย พกเจ็ดคนนี่อยู่เพลิงหมาแงานนาบีสร้างเอาไว้ให้อยูอยากนะคนมนุษย์นี่นะนี่เล่าให้ฟังนะอยากจะมีเงินรวยๆแบบเนี่ยสามตระกูลนี่แหละกูรอยซ่อนอดีอะไรนะบันิกอยนาะก็พวกเขาอยากจะมีเงินเยอะๆ อ, อัลลอฮ์รู้ประทานอุรา ล, ลงอั น, นี้ลงมาให้นบีไปสอนอ ย, อยากคิดอยากคิดรวยเลย ไอ้คนที่รวยก่อนหน้าคนมาแล้วมีมาแล้วผ่านหรือไม่ผ่านชีวิตไม่ผ่านสักคนหนึ่งอะตกนรกหมดเลยอะอย่าไปนึกเอาพออยู่พออยู่ได้ฮัลโหลเห็นยังครับนี่กุรามเตือนเราแต่ น, นั่นเขาเรียกว่าอัส บ, บูรณ์รูนก็คืออัครจะหุลฮากิมบสรขะฮะฮุอันอาลี กอลันโนโนเซล่าทาดิฮิลอายาฟิอาลุซุฟะในตํทธอธิบายดีนะนี่พวกชาวซุฟานําโดยกับอบูฮุเรยรอไซนาบีล้านหกเจ็คนอยู่บ้านนบีนบีโกเป็นเพิงหมางแหงเอาไว้พวกนี้ก็กินกับนบีมีแขกมาบ้างอะไรบ้างมีซาบะพาไปเลี้ยงบ้างอะไรบ้างอยู่แบบพอพออยู่ได้นี่นะบาทไม่มีรถไม่มีที่ดินไม่มีครอบครัวใหญ่ไม่มีก็เห็น สามตระกูลใหญ่ๆอมมีเงินมีทองอยากกันได้อรรถเลประชายคุรานลงมาถ้าให้พวกนี้รวยนะเองก็จะเสียคนแบบเฟรอนจะเสียคนแบบกอรูนหามานั้นอยู่อย่างนี้แหละสบายอดทนเดี๋ยวอรรถจะค่อยๆประทานรีสกีให้ค่อยๆให้ค่อยๆให้ค่อยๆให้ค่อยๆให้ค่อยๆให้อย่างนี้ไมันจบพีรองกับ ให้ทำเจ็ดข้อนะหนึ่งลมดอนผ่านไปแล้วเนี่ยอัลลอฮฺจะรับอามันของเราดูเช็คเชควันนี้ถ้ารับมาสู่เราสม่ําเสมอแสดงว่าเองมานะมัมตต์ตะวิกับอิหมามอัลลอฮฺพอใจจับกุรอานวันนี้แสดงระมดอนที่จับกุรอานอันลลอฮฺพอใจบริจาคเงินวันนี้แสดงว่าระมดอนที่ผ่านมาอัลลอฮฺพอใจสังเกตดูวันหลังระมดอนนิสัยเราเลวกว่าเก่าหรือว่าดีกว่าเก่า ขมมในบ้าน